บันี้จะกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งพระพุทธดํารัตติสัตว่าโลกนั้นถูกคล่อมล้อมด้วยชราและมัจุทำให้บุคคลต้องประสบความทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเป็นนั้นมาก เมื่อกล่าวถึงประเภทของทุกข์ไม่ว่าจะมองในแง่ของสังสารทุกข์หรือแง่ของสภาวะทุกข์และปะกินณกะทุกขก็ตามกลาวโดยสรุปก็คือเรื่องของความทุกข์แต่ที่ทรงจําแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดาด น, นั้นเพื่อเป็นการคล้อยตามจริตอัตยาัยของผู้ฟังที่สามารถเรียนรู้เข้าใจ ลดละความทุกข์ลงไปได้โดยการแสดงจากมุมใดก่อนก็จะทรงจำแนกแสดงไว้ในจุดนั้นแต่เมื่อกล่าวที่ส่วนส่วนซึ่งเป็นหลักแล้วก็คือส่วนที่สวดกันในทรรวัดเช้าหรือว่าสวดกันในหลักของอริยสัจทั้ง4ประกาศนั่นเองในหมวดหนึ่งได้ทรงจำแนกแสดงทุกข์เอาไว้ โดยประยายหนึ่งต่อจากที่ได้กล่าวมาในวันก่อนความทุกประเภทแรกท่านเรียกว่าในพัฒนาทุกขคือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเนื่องนิดรือสม่ำเสมออาจจะอาศัยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจะหนาวจัดร้อนจัดทีข้าวปวดท้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าการที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์นั้นตรวจมากแล้วมกักจะเป็นเรื่องที่เกินไปเช่นว่าหนาวเกินไปหรือว่าร้อนเกินไปหิวเกินไปคนก็จะประสบความทุกข์แต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปก็จะพบว่าไอ้คาว่าเกินไปนั้นเราก็าหาข้อยุติไม่ได้ว่าอย่างไรเรียกว่าเกินไป บรอากาศหนาวคนบางคนอาจจะรู้สึกสบายคนบุคคลบางคนอาจจะรู้สึกว่าหนาวไปคนบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆคือไม่รู้สึกว่ามีหนาวหรือมีร้อนอะไรทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพทางร่างกายและสภาพทาง จ, จิตใจที่ไปยอมยับไปยอมรับเรื่องเหล่านั้นของบุคคลนั้นๆค น, นทุกข์ในชั้นนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดา ในส่วนหนึ่งก็สงสดงในรูปของขันติอย่างที่ทราบกันคือความอดทนต่ อ, น, อน้ำร้อนหิวกระหายเรือจุงรมแดดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนนั้นในส่วนของทั่วๆไปแต่ในส่วนที่ลึกลงมาก็ให้มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งใจไม่อาจจะต้านทานได้ก็มองในแง่ของการเปรียดเทียบ เช่นว่าเกิดหนาวจัดขึ้นมาก็ต้องมองในเชิงเปรียบเทียบว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าหนาวนั้นยังมีคนอื่นเขาหนาวมากกว่าเราแต่ก็ก็ทนทานอยู่ได้ในขณะที่ประสบความร้อนจัดก็มองเห็นว่ามีคนอื่นที่เขาร้อนจัดกว่าเราแต่คนนั้นก็ทนอยู่ได้เราก็ต้องทนให้ได้ลักษณะาการมองเทียบเคียงในแนวนี้ อันที่จริงแล้วก็สอนโดยนิยตต่างๆไม่ใช่สอนเฉพาะส่วนของความทุกข์อย่างที่สอนแก่อย่างที่สอบถามความคิดเห็นของพระปุณณะโดยยกอุปมาว่าสมมติประชาชนสุนาปรันตะเขาดา่าจะคิดยังไงท่านก็บอกว่าก็คิดว่าดีกว่าเขาคว่างปลาด้วยก่อนอิดก้อนหินแต่วเขาคว่างปลาด้วยก่อนอีกก้อนหินก็คิดว่า ดีกว่าเขาตีโดยไม่พร้องถ้าก็ตีโดยไม่พร้องก็คิดว่าดีกว่าเขาฟันด้วยสัตว์ราบุธฟันด้วยสัตว์อาวุธก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายถ้าเ็าฆ่าให้ตายก็ดีกว่าฆ่าตัวเองคือหมายความว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามมันยังมีสิ่งที่เหนือกว่านั้นยิ่งกว่านั้นรุนแรงมากกว่านั้นแต่เราก็ไม่ประสบ มันถ้ามองถึงในแง่ว่าเป็นบุญหรือว่าโชคดีแล้วก็โชคดีกว่าคนเป็นนั้นมากอจะทําทให้บุคคลทนทานต่อเรื่องเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้และในจุดนั้นเองบางครั้งก็มองเจาะลึกลงไปในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งบุคคลจะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดานั้นเป็นเหตุปัจจัยของธรรมชาติบุคคลจะไปแก้ปัจจัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นไม่ได้การจะแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวของบุคคลเหล่านั้นเองจะทํำยังไงจึงจะให้อยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแปรแปลุปนเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรืออารมณ์ก็ตาม การสั่งสอนนั้นเวลาสั่งสอนให้แก่ให้ลองสังเกตว่าจะไม่แก้ข้างนอกเพราะแก้ข้างนอกไม่มีใครจะไปแก้ได้แต่แก้ที่ตัวของบุคคลนั่นเองโดยเฉพาะที่จิตใจของบุคคลเหล่านั้นในชั้นของการกำหนดรู้ความจริงตามธรรมชาติธรรมดาก็สามารถที่จะแก้ความทุกข์ได้ชั้นหนึ่งและการพยายามแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาติเหล่านั้น ความเสียดแทงจากธรรมชาติล่านั้นเจ็ดประสบความร้อนจัดบางท่านในอดีตท่านก็บอกว่าที่จริงแล้วความร้อนในนรกนั้นมันก็รุนแรงกว่าความร้อนในโลกมนุษย์นี้ทั้งความร้อนเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรการมองแนวนี้ก็มองได้หลายชั้นในชั้นศีลธรรมจันยา พิจารณาเทียบเคียงถึงความร้อนที่กำลังประสบอยู่เพราะแผดเผาก่อให้เกิดความร้อนร้อนมากเหลือเกินแต่ยังมีความร้อนในนรกที่มากยิ่งกว่านี้ขนาดที่เราทนอยู่ในปัจจุบันก็ทนแทบไม่ไหวยอยู่แล้วถ้าไปเจอความร้อนในนรกจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนในชั้นศีลธรรมจัญญาก็จะช่วยให้บุคคลพยายามทำตนให้หลุดพ้นจากภายในนรก รักษาความร้อนที่ตนประสบในปัจจุบันหรือคนที่มองได้ลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นมองเห็นภัยสรุปคือภายในสังสารวัฏข้อนี้พึงสังเกตในขั้นตอนของการสอนและการปฏิบัติที่พระผู้มีพระเจ้าทรงสั่งสอนและท่านผู้ปฏิบัติปฏิบัติหือการจะมองเห็นภัยในมุมที่กว้างไกลเช่นนั้น มันขึ้นอยู่กับจิตซึ่งได้พัฒนาขึ้นไปจึงหมายความว่าเมื่อเรามองจากที่สูงก็จะเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนจึงขึ้นก็คล้ายๆกับว่าคนที่มีการศึกษาสูงขึ้นไปมองลงมาข้างล่างประถมบริบูรณ์หรือมัธยมบริบูรณ์อะไรเนี่ยที่จริงก็ไม่บริบูรณ์ ยังมีความบกพร่องที่จะต้องศึกษาค้นคว้าแล้วเรียนอยู่อีกเป็นนันมากคนที่เรียนไปจนถึงด็อกเตอร์แล้วก็คิดว่าจบหลักสูตรการศึกษาแล้วแต่ท่านที่มองจากเบื้องสูงกันนั้นท่านก็เห็นว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่นั่นเองการมองทุกข์ก็ลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งเราก็เห็นในมุมแคบๆ แต่ถ้าเราขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงซึ่งกหมายถึงว่าจิตใจที่พัฒนาขึ้นไปสูงก็จะมองเห็นลึกซึ้งกว่านั้นนั้นวิธีการแสดงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางเป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไปจะพูดเรื่องอะไรในขั้นไหนก็ดูจิตของคนว่าพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะกาหนดรู้กาหนดละได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ทรงแสดงไป แนวที่เรียกว่าอนุปิกขาคือธรรมเทศนาที่ส่งแสดงโดยลำดับก็ทรงเริ่มต้นที่จริงก็อยู่ในเรื่องของความทุกข์ด้านสังสารวัฏแต่ความทุกข์ในด้านเวทนามันน้อยลงแสดงเรื่องทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์สวรรค์ที่จริงก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับมนุษย์มันก็เป็นสุขแต่เทียบกับพรห ม, มก็เป็นทุกข์ ไปพร้มเองมาเทียบกั น, นินผ่านมันก็เป็นทุกข์แต่พระยาบุคคลระดับล่างเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดท่านก็ยังมีปัญหาคืออยู่ในสังสารทุกข์อยู่วันเวลาแสดงถึงขั้นที่สี่พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงการมาทินกคือโทษของกรรมโทษของกรรมที่แสดงกับผู้ฟังในชั้นนั้นแสดงทั้งกรรมที่เป็นทิพย์ทั้งกรรมที่เป็นมนุษย์ ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจของท่านพร้อมที่จะฟังและพร้อมที่จะหาความเข้าใจได้ก็ทรงแสดงไปแต่ก็ยังไม่พร้อมก็แสดงในชั้นที่ต่ำลงมาเพราะเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของวัวหารเทศนาเป็นป ร, รมเทศนาที่ทรงหลากหลายไปด้วยปวหารแต่ก็มีเป้าหมายในการบรรเทาความทุกข์ขจัดความทุกข์จนถึงกระดับความทุกข์ การร่งควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลโดดนั้นท่านการมองจากหนาวร้อนหิวกระหายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านที่มองจากจุดหนึ่งท่านก็พยายามทําตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในนรกโดยการสร้างสวน บ, บุญกุศลในระดับบุญที่เรียกว่าเป็นวัฏฏกามีกุศลคือกุศลที่จะหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่ก็ห่างไกลจากนารกขึ้นซึ่งก็หมายความว่า ความร้อนมันก็ลดลงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความดับร้อนจริงๆเพียงแต่ความร้อนบันเทาหลอกแต่ว่าอีกบางท่านก็มองเห็นว่าแม้แต่ความสุขที่ถือว่าเป็นทิพย์ก็มีลักษณะแผดเผากอให้เกิดความเร่าร้อนเหมือนกันท่านก็พยายามที่จะปรีดต้นให้ไกลขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจากในยะตัวอย่างที่กล่าวมาในตอนต้น และจากจุดนี้เองเมื่อปัญญาของบุคคลมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นแต่ละจุดก็จะหาประโยชน์ได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆการแสดงความทุกข์ในแนวนี้จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ตลอดจนถึงมากผลนิพพานเหมือนกันประการต่อไปความทุกข์ที่เกี่ยวกับโลกธรรม ซึงว่าที่จริงก็เป็นความทุกข์ที่ออกเก็สรุปได้มากพอสมควรในชั้นของการดารงชีวิตเพราะชั้นของชีวิตแล้วจะอยู่ในแวดวงของโลกกระทำเปรตธรร ม, ตธรมะที่ครอบงําสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอยู่ในโลกนี้พระบุพรภคเจ้าทรงสแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรเป็นใจความว่าธรรมตั้ง8ปดประการคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทาสุขทุกนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ในโลกนี้และครอบงมจิตใจของชาวโลกอยู่ไม่ได้เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใครเพราะแต่ละคนจะประสบกับโล ก, กธรรมด้วยกันทั้งหมดจุดแตกต่างนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อโลกกระมเกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้ศึกษา ธรรมของประิยัเจ้าไม่ปฏิบัติธรรมของพริยัจเจ้าไม่อาจจะรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแห่งโลกธรรมเพราะฉะนั้นจิตใจของบุคคลก็จะฟูขึ้นฟุบลงที่ก็เรียกว่าประสบความสุขความทุกข์หรือขึ้นขึ้ น, นลงลงตามอํานาจของโลกธรรม ท, ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆใจของบุคคลจะฟูขึ้น ยามประสบกับโลกกับธรรมส่วนที่เป็นลาบเป็นยศเป็นสรนเริญเป็นความสุขแต่จะคุบลงเศร้าส้อยเสืมเศร้ากัดกร่อนจิตใจจนถึงกระเฉาตายไปก็มีเพราะประสบกับโลกกับธรรมส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือทุกเสื่อมลาบถูกดินทาและก็ได้รับความทุกเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาได้รับความทุก นี่คือมองในลักษณะที่รวมรวมแต่ว่าการกำหนดปินิตพิจารณาในแนวของการประพฤติปฏิบัตินั้นบุคคลจะมองเห็นเป็นกระบวนทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและส่วนที่ไม่น่าปรารถนาที่จริงส่วนที่น่าปรารถนาในแง่ของสภาวะของปันก็เป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัย และมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามตามกฎของมันอันลาบก็ดียศก็ดีสังเสริญก็ดีสุขก็ดีโดยสภาพก็เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่จริงก็ถูกเบียดเบียนบีบคั้นไปด้วยประการต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวความทุกข์นี่ยในส่วนที่หน้าปรารถนาเนี่ย บุคคลก็ต้องเอาความทุกข์มาลงทุนในชั้นองการแสวงหาบางครั้งบางคราวต้องเพิ่มบาปนานับประการเพื่อให้ได้ลาบแล้วเพิ่มบาปเป็นนันมากเพื่อให้ได้ยศมีการหลอกลวงอะไรต่ออะไรเป็นนันมากเพื่อให้ได้สันเสริแต่ก็มีการขวนขวายเป็นนันมากเพื่อให้ได้ประสบความสุขซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องของความสนุกแต่เราก็คิดว่าเป็นความสุข บางทีเป็นความสุขแต่ก็ต้องเกาะอิงอยู่กับวัตถุสิ่งของเหล่านั้นมายความมาถ้าสิ่งนั้นมีตนก็ได้สุขแต่สิ่งนั้นไม่มีตนก็ได้ทุกข์ดูไปแล้วก็คล้ายๆกับสายเส้นลวดคือพร้อมที่จะหล่นลงมาพร้อมที่จะตกลงมาในส่วนของความเสื่มราบเสริมยศนินทาทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ทุกในที่นี้ก็เน้นไปที่ทุกขเวทนา เป็นหลักถึงก็ดูกันง่ายในเรื่องของความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาความทุกข์ในแง่ของสภาวะเองก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกันและในขณะเดียวกันเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแก็แปรปลุนเปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปตราบใดที่เหตุปัจจัยยังเป็น ไปเพื่อความเสื่อมลาภความเสื่อมลาภมันก็เกิดขึ้นแต่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นคนเราจึงที่จริงแล้วจึงมีลักษณะขึ้ น, นๆึ้ลงๆไม่ได้ตกไปอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเสมอไปซึ่งอาจจะตกไปในจุดใดจุดหนึ่งนานหรือว่าไม่นานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่มองในแนวรวมมาความมามองการทั้งชีวิต อย่างที่ส่งจเก็นกแสดงว่าคนบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปนี่ก็แสดงว่าตกในฝ่ายที่ไม่น่าปรารถนาอยู่มากแล้วก็นานบางคนมืดมาสว่างไปก็หมายความว่าตกอยู่ในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาระยะหนึ่งแล้วในที่สุดก็ไปตกอยู่ที่ส่วนน่าปรารถนาบางคนสว่างมามืดไปก็แสดงว่าก็ปนคข้าวกันไปในแต่ละช่วง คนสว่างมาสว่างไปนั่นเป็นการมองรวมๆไม่จะมองในแง่ของกรรมฐานเพราะในแง่ของกรรมฐานจริงๆไม่ว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปหรือสว่างมาสว่างไปก็มีลักษณะที่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ไม่มีใครที่อยู่ในโลกนี้จะประสบกับลาบยศสันเสริญสุขอยู่ตลอดนิรันดรในแต่ละช่วงแต่ละณะ ของชีวิตเรือแม้ในแต่ละวันก็มีความเปลี่ยนแปลงทางราบยศสนเสริญสุขมีความทุกข์ที่เกี่ยวกับาบยศสนเสริญสุขอยู่หรือเกี่ยวกับเสริมราบเสริมยศนินทาทุกข์อยู่เมื่อจะมองในแง่ของขณะการมองในกรรมฐานเป็นการมองในแง่ที่ช่วงสั้นหรือบางทีก็เป็นขณะเช่นขณะของจิตแนวจิตานุปัสสนานั้นก็มองกันแต่ละขณะ หมาความวาการมองแนวนั้นสติสัมจัญญะความเพียนก็ต้องเป็นไปได้เร็วจึงจะมองได้ชัดอาบยศสรรเสริสญสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอมาใช้ในแนวของกรรมฐานในชั้นแรกก็อยู่ที่การปรับใจยอมรับถึงความจริงในสองด้านเพราะโลกเรามันก็มีความจริงสองด้านแต่ความจริงส่วนนี้พระเจ้าก็ส่งปรารคไว้ตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์มาแล้ว โลกนี้มีของแก้กันมีความทุกข์ก็มีความสุขก็มาแก้มีมืดก็มีสว่างแก้มีร้อนก็มีเย็นแก้มีกลางคืนก็มีกลางวันแก้เดี๋ยวแสดงว่าก็มีตัวที่จะแก้ซึ่งกันและกันชนปัหาสาคัญว่าเรายอมรับความจริงในส่วนนี้เป็นเบื้องต้นนาทีทรงแสดงไว้ว่าปูุ่ชนผู้ไม่ได้สับธรรมของปริยะไม่ปฏิบัติธรรมของปริยะ เพราะโลกกระทรเหล่านี้เกิดขึ้นในส่วนที่น่าปรารถนาก็ชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองกันประส่วนไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็ประสบกับความทุกข์ความเสียใจโทมนัสแต่บางครั้งก็เพิ่มทุกข์ขึ้นด้วยการกระทำของตัวเองเกือให้หนักยิ่งขึ้นลนักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองเป็นรูปธรรมดูแล้วก็น่าเอ็นดูดีก็ค่าก็เด็ก ที่ถูกแม่ตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ล้มลงกระแทกแกระดินพลาดพลาดพาาดพ ล, ด, พลดไปเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดรวดรรงให้แก่ตัวเองมากทิ่สุดใ น, นถ้ามองในเชิงที่เป็นนามธรรมาว่าใจในการที่ออกมาเป็นรูปธรรมเช่นนั้นแสดงว่าสุขภาพใจของเด็กคนนี้ไม่ดีที่จากรูปธรรมนั้นถ้าทอนเข้าไปสู่จิตก็จะเห็นว่าจิตของบุคคล เป็นจิที่ตั้งไว้ผิดเฮงมองไปในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะต้องการให้แม่โอ้ตลอดไปเอาอกอาใจตลอดไปทุกทีไม่ได้ทำให้เสียใจไม่ได้แลนในที่สุดพอประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเข้าก็ซ้ำเติมตัวเองโดยลักษณะอย่างนั้อาการดิ้นไปของบุคคลในลักษณะนี้ที่จริงก็เป็นอาการของเด็กๆที่ซ้าเติมตัวเองทุกทีตัวเองยิกขวนตัวเอง บางทีก็ทำอันตรายแก่ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไปมองไว้ในแง่เดียวตัดใจว่า developer. ต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งว่าที่จริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเราก็คนเราก็ไม่ได้มองไม่ได้คิดนะว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเสมอไปเราเกิดมาถึงเป็นเด็กก็ต้องเป็นเด็กเสมอไป จริงทั้งหลายจริงไม่เป็นอย่างนั้นจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เพราะการไม่กำหนดรู้ความจริงจิตมันก็แกวง่งด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถน า, า, ายุพิจารณาทรงใช้คำว่าฟูขึ้นและฟุบลงหรือบางทีก็ทรงใช้คำว่าอภิชาและโทมนัสคือเกิดความอยากความคับแคดความอยากในอารมณ์บางอย่างความขับแคดในอารมณ์บางอย่าง แต่ว่าจุดที่แตกต่างกันนั้นมันก็ออกมาในรูปว่าพระยาบุคคลท่านก็เจอเรื่องเหล่านี้แต่พระอริยบุคคลท่านมีญาณอย่างรู้คือมีปัญญาด้านหนึ่นเงเป็นตัวรู้ความจริงตลอดทั้งกระบวนของสิ่งเหล่านี้คือรู้จากจุดเกิดจนถึงจุดดับเมื่อคนเรารู้อะไรกร็ตามจากจุดเกิดถึงจุดดับได้พอสิ่งนั้นดับจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ ที่จริงลักษณะทางอารมณ์เหล่านี้เราก็สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันแต่ก็ไม่สังเกตว่านั่นก็คือธรรมะฉันยกตัวอย่างว่าแขกมาเยี่ยมชั่วคราวพอเรสร็จแล้วก็กลับไปเราก็ไม่เสียดายใ จ, ใ จ, ใจอะไรเพราะเรารู้มันตั้งแต่ต้นว่าเขามาชั่วคราวเจ้าของที่ยืมเข้ามาพอถึงคราวจะส่งคืนเจ้าของก็มาขอคืนหรือเราจะไปส่งคืนก็ตาม เราก็ไม่รู้สึกผูกพันเสียใจอะไรเพราะใจรู้มาตั้งแต่ต้นวันนั้นคือของยืมสิ่งทั้งหลายในโลกที่จริงก็คือของยืมที่จะอยู่ร่วมกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เป็นของยืมดวงตาหูเป็นต้นนี่พวกกายวิวาต่างที่จริงก็ของยืมบางทีเรายืมมาใช้ไม่เท่าไรเพื่อนทวงแล้ว ตาก็พลาดมัวไปหูก็ฟังไม่ชัดผมก็งอกนี่ก็แสดงว่าเขามาทวงต่อไปเขาเอาคืนไปหมดเตรียมใจยอมรับรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรนั้นใจของพระอริยะที่ไม่เดือดร้อนนั้นเพราะท่านมองเห็นทั้งกระบวนกรารนั้นเองเพราะโลกธรําเกิดขึ้นจะเป็นส่วนใดก็ตามท่านก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคือรู้ตั้งแต่เกิดรู้ตั้งจุดดับของแกต่อไปแกก็ไปเหมือนนักแขกมาประเดี๋ยวแกก็กลับของยืมมาประเดี๋ยวต้องส่งคืนที่จริงทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของอารมณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดลึกหรือกำหนดรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็มองในเชิงของการเทียบเคียง การปฏิบัติธรรมะในส่วนของกรรมฐานนั้นแต่การสำคัญอยู่ที่สติสามัญชัญญาของบุคคลที่กำหนดระลึกรู้เรื่องเหล่านั้นให้เข้าถึงความจริงในส่วนที่ลึกลงไปแล้วใครๆก็สามารถที่จะหาประโยชน์ได้ทุกจุดของอารมณ์อย่างที่ที่เคยยกตัวอย่างว่า พ ร, ระปรตาจาราเถรีอาศัยน้ำที่ราดลงไปบนพื้นเท่านั้นเองกวิจนาแล้วจเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลได้หรือบางครั้งบางคราวเห็นผลไม้หล่นลงมาเห็นผลไม้เปลือยเน่าไปพิจารณาแล้วก็หาประโยชน์ได้คือน้อมนึกเข้ามาหาตัวเองเราก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเหมือนกันมันพอประสบกับความทุกข์ในรักษะอะไรคือ อารมณ์ทั้งหลายในลักษณะอย่างไรก็ตามคือจะดีหรือไม่ดีก็ตามที่จริงตัวของสิ่งเหล่านั้นโดยสภาพแล้วมันก็เป็นไปตามปกติธรรมดาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านสอนให้พิจารณาเวลาประสบความทุกข์มันก็ไม่ใจะทุกข์ตลอดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นประสบความทุกข์ก็ไม่ถึงกับไปเดือดร้อนซ้ำเติมตัวเอง คิดกระตุ้มให้มากยิ่งขึ้นบางทีเป็นลักษณะปรุงคิดหรือว่าคิดปรุงขึ้นมาทำนองการคิดปรุงผีขึ้นมาหลอกตัวเองเรื่องทั้งหมดนั้นเราปรุงเอาเองหมดเลยแต่บางคนอายุจนป่านนี้แล้วก็ไม่เคยเจอผีแล้วก็ก ล, ลัวผีได้เรื่อยๆตอนนี้เพราะอะไรเพราะปไปปรุงเสียเป็นเรื่องที่น่ากลัว เรื่องความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมมุติว่าแกจะปรากฏอะไรมันก็เป็นชีวิตชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมรวมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมกันด้วยกันในโลกนี้ก็อย่างที่เคยแผ่เมตตาแผ่เจริญพรคเมหานไปให้แก่นั่นเองนั้นลักษณะของความทุกข์ตัวการใหญ่จึงมาอยู่ที่จุดเดิมอย่างที่ทรงแสดงไว้นั้นแจะไม่ว่าจะจําแนกยังไงก็ตาม ตัวการใหญ่ก็มาอยู่ที่ว่าจิตซึ่งไปยึดมั่นถือมัน่นในขันทั้งห้าเป็นการมองโดยสรุปนะฮะแม้จะจำแนกแสดงพิสดารมากที่จริงเรื่องทุกข์นั้นจำแนกพิสดารมากแต่ถ้าเรามองอีกทีแล้วทุกข์เหล่านั้นก็คือขันห้านั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาทรงแสดงโดยสรุปเพื่อไม่ให้ไปติดในรูปแบบมากเกินไปพระเจ้าก็มาสรุปสอีกทีหนึ่งว่า ราโดยสรุปแล้วคือจิตที่ระยึดมั่นหรือมั่นในขันห้าแล้วก็เป็นความทุกข์อย่างโลกธรรมนั้นให้ลองสังเกตว่าลาบยศสันเสรนสุขที่จริงมันก็เป็นขันห้าพวกลาบนั้นส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นรูปประคันยศก็เป็นส่วนมากก็เป็นรูปประคันสันเสรนเป็นรูปประคันที่ออกจะประนีตขึ้นนะเพราะเป็นเสียงสุข ก็เป็นเวทนาเพราะนั้นเอาก็จริงแล้วก็คือรูปกับเวทนาแต่นั้นเองในเสริมลักษณเสริมยศนินทาก็ลักษณะอย่างเดียวกันคือรูปกับเวทนาแต่นั้นเพราะงั้นจึงอยู่ในแวดวงของขันห้าถ้าบุคคลสามารถเข้าใจความจริงยอมรับความจริงในแง่มุมต่างๆแล้วทุกจุดนั้นจะได้ประโยชน์ ประโยชน์ทั้งในชั้นของศีลธรรมจัญญาในการแสวงหาก็ไม่แสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรในการถือครองอยู่ก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือหวงแขนจนเกินไปสามารถสละได้หรือว่ามองเห็นว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นควาเป็นประโยชน์ได้ในชั้นผ่านเป็นต้นแตนั้นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา มองปัญหาทุกจย่างแล้วพยายามสแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นหลักการสำคัญในทางพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป